ท่าฟังที่เคารพคะเราก็กลับมาพบกันอีกกับพระอาจารย์ไพบูมในอีกครึ่งนาทีข้างหน้านี้นะครับเพราะว่ารายการของเราก็ออกอากาศกันเป็นประจำโดยมีพระภิกษุอยู่สองรูปด้วยกันนี่แหละนะคะสาระที่เราต้องการมากเพื่อให้ท่านได้รับในรายการนี้ก็คือได้รู้ว่าคําสอนของพระาศาสดาของเราจากพระโชน์พุทวนจะนะได้เป็นอย่างไรแล้วก็นําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ไม่เพียงแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ อยากจะไปนิพพานเท่านั้นแต่ถ้านำมาใช้ให้ถูกต้องแล้วชีวิตที่ท่านต้องการความเป็น ป, ปกติหรือว่าความเจริญเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าเกิดมีขึ้นได้ตอนนี้เราก็ไปพบกับพระอาจารย์ไพโรจน์กันได้เลยนะคะในเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนาค่ะน้มสักการะท่า น, นคะเจนพรค่ะก็คงจะต้องให้ท่านเริ่มต้นเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะบูชาพระพุทธองค์ในโอกาสพุทธชยันตีเด้วยคําสอนของพระพุทธองค์หรือว่าเรื่องราวของพระพุทธองค์คะใช่ไหมพเรื่องที่จะมาพูดวันนี้เกี่ยวกับพุทธชยันตีก็คือเวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเนี่ยเพราะว่าจะมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือนั่งแสดงอย่างเดียวคือคือมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระสงค์ที่เป็นศีลที่เป็นที่ควปรปฏิบัตินะที่ว่าเวลาแสดงธรรมเนี่ย ผู้ที่แสดงธรรมยืนเรายืนอยู่ผู้แสดงธรรมนั่งอยู่เนี่ยเราไม่พึงแสดงธรรมอันนี้เป็ น, ปนอกับกบัติกริยาหนึ่ง ท, ที่เกิดขึ้นที่บัญญัติเอาไว้ให้ภิกษุทําอย่างนี้ยกเว้นถ้าผู้นั้นป่วยเราก็สามารถที่จะยืนแสดงธรรมได้ในนี้คุณยมติว น, น, นึกออกเนาะค่ะนึกออกที่นี้ดิฉันจะขออนุญาตถามคําถามได้ไหมครับเพราะว่าจะเห็นภาพบางอย่างใช่ใชดิฉันเองรู้สึกขัดตาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับวินายข้อนี้หรือเปล่า คือระยะนี้ยจะมีรายการโทรทัศน์ซึ่งวิธีการดำเนินรายการของผู้ประกาศข่าวทั้งหลายเนี่ยเขาจะแข่งขันกันอืให้น่าสนใจบางทีสมมุติว่า อ, อแดดแรงเขาอาจจะแต่งตัวถือกระมังไปตากผ้า oh. อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้บางครั้งเราได้เห็นภาพเวลาเขานิมนต์พระสงฆ์ไปสัมภาษณ์ในรายการซึ่งแน่นอนแหละหรือฉันจะเห็นพระสงฆ์ซึ่งท่านมีปฏิปทา ที่จะเผยแผ่คาสอนของพระศาสดาแต่พอไปถึงในรายการเนี่ยเขาได้จัดวางภาพของรายการของเขาในช่วงนั้นเป็นการยืนสนทนากันเรื่องหลังนี่ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ทุกๆฉบับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยืนสนทนากันเราก็ขัดตาไม่ทราบว่าเข้าหลักนี้หรือไม่ว่าจะเจน่านตรงนี้ก็เลยจะเป็นประเด็นที่อาตมาจะพูดต่อพอดีว่าก็จะมีบางกรณีที่ผู้เจ้ายืนแสดงเหมือนกัน แอย่างมีครั้งหนึ่งที่พระภัยยะเนี่ยเดินทางมาจากที่ไกลมาขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตอนนั้นบินตบาทอยู่นะก็บอกอภัยยะให้ให้เราบินตบาทเสร็จก่อนแล้วค่อยฟังธรรมพัยยะก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องฟังธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่พรุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมไปบอกว่าให้ให้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้อันนี้ก็แสดงธรรมพรงก็ยืนอยู่นะยืนบินตบาตอยู่อันนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่หรือบางทีเดินเข้าไปในโรงภิกษุค่าย นักบวนอนป่วยกันอยู่พระเจ้าก็ยืนแสดงธรรมก็มีหรือบางทีเดินไปตามถนนตามทางลุกรังอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือเกี่ยวดินขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าเนี่ยลองดูดินที่ติดนิ้วมือเรากับดินทั่วไปมันจะเป็อันไหนมากกว่ากันอันนี้พระองค์ก็ยืนอยู่หรือบางทีเดินไปหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งเท่าฝ่ามือนะอันนั้นก็ก็ยืนอยู่เหมือนกันหรือวางทีเดินไปตามแม่น้ํำคงคานะเห็นเม็ดไอฟองฟองน้ําลอยมาในแม่น้ำคงคาอย่างเงี้ยตามสายแม่น้ํำคงคาก็บอกว่าเนี่ยดูสิว่าอันนี้ ไม่มีสาระอะไรเหมือนขันตั้งห้าอันนี้มันอยู่ที่จะหยิบช่วยโอกาสยังไงอันนี้พอ ก, ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนกันน ะ, ะว่ามีโอกาสก็แสดงเลยค่ะอันนี้ก็จะได้เห็นกรณียกเว้นแต่ที่ฉันก็ยังสนใจในคำถามเดิมอยู่นะคะเดยพอนะ่ฉันมีความรู้สึกว่าหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องนำเสนอความรู้ที่ถูกต้องซึ่งเป็นมาตรฐานหลักไวก่อนส่วนข้อยกเว้นค่อยๆ ก, กันทีหลังก็จะต้องให้ความรู้เสริมไปสมมติว่า ในกรณีเช่นนี้เนี่ยดิฉันสมมุติเป็นสื่อมวลชนไปเป็นสาท่านใช่พานเป็นกรณีสมมุติหมดเลยนะคะท่านฝั่ฟังคะดิฉันไม่ชอบที่จะให้พระคุณเจ้าทั้งหลายในต้องมามีมนทินเศร้าหมองจากการตั้งคําถามบน ด, ดิฉันนะคะ <c oughs> ว่าอท่านคิดว่าท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรเพราะว่านี่มันเป็นการจัดสตูดิโออะค่ะท่าอ๋อมันก็จะให้คําแนะนําว่าก็ควรจะดั่งแสดงหรือแม้แต่ตามมาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยนะ คือ ถ, ถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะเหมาะสมเนี่ยเวลาเราไปไปงานนิมนต์ในหมในหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีเราต้องเขียนบางทีเราต้องเหมือนอาจารย์เขาให้เลคเชอร์คุณยมติวไปไปสอนในหมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีเขาต้องยืนสอนยืนอธิบายใช่ไหม เ, เราก็พยายามที่จะจ ะ, จะนั่งพอนั่งแล้วบางทีมันมั น, ม, นมันไม่ได้เต็มที่เราก็จะต้องยืนบ้างนั่งบ้างก็พยายามที่จะนั่งอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คําแนะนําก็คือว่าเอออย่างน้อยให้มีที่นั่งที่เหมาะสมให้เป็นหลักก่อนนะจะนั่งไม่นั่งอีกเรื่องหนึ่ง แต่ขอให้มีที่นั่งไว้ก่อนอนนะะแล้วเวลาจะเริ่มแสดงยังไงก็ขอให้มีการทําความครบรสธรรมะใ ห, ให้ถูกระเบียบนะคืออย่างน้อยเริ่มเนี่ยก็ให้นั่งเสร็จแล้วจะทําอะไรก็ค่อยๆทําต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะงั้นอันนี้ก็เป็นความรู้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางครั้งตัวท่านเองเนี่ยก็เคยทําผิดพลาดมาด้วยเหมือนกันสมมุติว่าเราเตรียมที่ให้พระสงฆ์นั่งแล้วเมื่อนิมนต์พระสงฆ์ไปเสร็จเรียบร้อยท่านก็นั่งบนอาสนะที่เราจัดเตรียมไว้ให้ในะคะซึ่งจําเป็นไหมคะว่าท่านจะต้อง นั่งแบบโบราณคือนั่งคัศมาธิหรือว่านั่งพับเพียบนั่งนั่งเอาขาขึ้นมาอันนี้พระเช่าไม่ได้กําหนดเอาไว้ในรายละเอียดแต่ไม่ว่าจะนั่งห้อยขาก็ตามนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งพับเพียบนั่งคัศมาธิ่อันนี้พระเช่าไม่ได้กําหนดรายละเอียดเอาไว้เพราะฉนั้นก็ก็ตามสะดวกนะบางที่มันจะนั่งกับพื้นหรือว่านั่งต่างนี้อาจจะไม่มีก็ต้องนั่งเก้าอี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ความสะดวกอันนี้ คือนั่ ง, งนี้นั่งแบบไหนก็ได้ให้นั่งสุภาพแล้วกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นอาจจะเริ่มละไม่ใช่เป็นการนิมนต์เทพทศเทศเทศนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยนะคะจะต้องมีการเริ่มต้นด้วยบูชาพระรัตนไตรยัยถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นถ้าตามพิธีแบบวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็อาจจะมีการอาราธนาศีลอืชอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสมมุติเรานิมนต์พระอาจารย์ไพล์บูนไปเนี่ยจะไปถามคําถามธรรมะอืม ไม่สนใจว่าท่านต้องแสดงทําเป็นการๆก่อนไปถึงก็จะลุยถามเลยอย่างเงี้ยนะคะ เ, เราจะต้องขึ้นต้นอย่างถูกระเบียบวิธีอย่างไรคะอ๋ อ, เ, อ, อเรื่องการขึ้นต้นตรงนี้ในรุ่นหลังๆคือหมายความว่าสาวกรุ่นหลังๆเนี่ยท่านก็บัญญัติเหมือนกับว่ามีการอาราธนาธรรมใช่ไหมที่บทที่สวยว่าพระองมาจะโลกาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าในคาสอนของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็แค่ว่าเห็นบริษัทเนี่ยเงียบสงัด เห็นคนที่ฟังธรรมเงียบคนที่ทุกคนพร้อมฟังธรรมละถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าทุกคนพร้อมฟังธรรมคือทุกคนเงียบนิ่งอันนี้จะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าจะเริ่มแสดงธรรมนี่โดยปกตินะพราะองค์จะเป็นอย่างนี้ค่ะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอาเหมา ะ, มาะแบบไม่มากไม่น้อยบูชาพระรัตนตรเสร็จแล้วเชิญทุกคนให้นั่งสงบเพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า หรือในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะได้มาฟังการตอบคําถามทําเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุณทวัตจนากันให้นั่งอยู่กระลุมหายใจสักแป๊บนี้ก็พอได้เลยใช่ได้ได้ไอันนี้คิดว่าถูกต้องเลยอย่างที่เราทํามาในรายการเนี่ยคุณยมติ๋วเนี่ออกมาเวลาตอนต้นของรายการเนี่ยมีท่านมะอ่านประสูตรให้ฟังใช่ไหมเราก็นั่งนิ่งไปทําฟังธรรมะไปแล้วที น, นี้พอช่วงหลังก็มีคุณสรนสนีมาพูดคุยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมอยู่ได้อยู่ ท่านครั้งั้นในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธชยันตีการที่พระพุทธองค์แสดงธรรมโดยหลักนั่งแสดงธรรมแต่ ม, มีกรณียกเว้นหนึ่งที่ท่านพูดไปแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมควันนี้วันนี้ก็จะมีประเด็นเท่านี้เองอ๋อค่ะถ้าอย่างงั้นด<ม>ิฉันขออนุญาตไปต่อไปเลยนะคะได้ไดคือวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงสุภาพสตรีไทยสักคนหนึ่งซึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วบางเอินเขาได้รับการยกย่องจากสถาบันที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยอคือสถาบันวิจัยบทบาทชายหญิงและการพัฒนารับโล่จากทานา ย, ยกรัฐมนตรีและบางเอินเป็นเพื่อนร่วมงานเก่ารุ่นน้องอยู่ที่ช่องเจ็ดสีดปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวและรักษาการบรรณาธิการข่าวสังคมก็ได้เป็นผู้หญิงเก่งทางด้ า, านสื่อสารมวลชนประเภทมีความสามารถทางด้านการงานการจัดการปัญหาส่วนตัวได้ดีเยี่ยมน่ายกย่อง แล้วก็จะถามท่านว่าเท่าที่ที่ฉันได้สรุปเพื่อที่จะให้เกียรติกับน้องคนนี้เข้าไปก็ชื่อคุณธนิดาจิตบำรุงคนนี้นะคะว่าเออ่เขามีคุณสมบัติอย่างนี้มีผู้ทวจนะหรือว่าธรรมะของพระศ า, ศาสดาข้อใดที่จะสะท้อนให้เห็นได้บ้างคือดิฉันจะถามว่าเออทําไมได้รางวัล น, นี้อืเขาก็บอกว่าอ่าเขาก็เสริอ สเสนอเรื่องของประวัติส่วนตัวไปเป็นคนมีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสารรค์สูงมาโดยตลอดแล้วก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้นําในการที่จะคิดว่ า, าการรายงานข่าวอากาศเนี่ยจะต้องมีสีสันก็ทําให้วงการสื่อมวลช น, นได้พลอยลุกขึ้นมาปฏิวัติกันแทบทุกสื่อนะคะใช้ชีวิตในสื่อมายี่สิบสี่ปี ม, มีการทํางานชนิดเปิดโปงพวกที่ ตัดไม้ทำลายป่าเอารัดเอาเปรียบแรงงานความเดือดร้อนของประชาชนในแง่มุมต่างๆทีนี้ในส่วนของเลี้ยงลูกค่ะคือเขาก็เป็นสมัยใหม่ที่เรเรียกกัว่าซิงเกิลมัมอ๋อแยกกันกับสามีใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลบุตรสาวสองคนโดยลำพังมาตลอดอเขาบอกว่าพยายามให้ลูกมีจิตใจเข้มแข็งอยู่ในศีลในธรรมเลือกใช้วันหยุดพาลูกไปทำบุญเลี้ยงปลา เลี้ยงอาหารเด็กกาพร้าพิการอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นแบบและเป็นหลักยึดในการทำความดีของลูกมาโดยตลอดเวลาในการทำงานเนี่ยเขาจะแบ่งให้ลูกเลยนะคะว่าจะต้องมีพาลูกไปเที่ยวทั้งเที่ยวสวนสนุกและาเที่ยวธรรมชาติจะอะไรก็แล้วแต่แต่มุมนึงที่ดิฉันสนใจมากมแล้วก็ถึงเป้าเลยก็บอกว่าวันหนึ่งลูกก็เกิดได้ทุนแมเรลียนแลกเปลี่ยน บอกหนูก็ห่วงลูกมากเพราะเป็นลูกสาวไม่รู้จะทําอย่างไรก็จึงไปหาพระคุณเจ้าวัดหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีคอสปฏิบัติธรรมแบบหลีกเล้นอย่างที่วัดป่าดอนไหฮโซทำเพราะว่ไปโดยไม่มีคอสเลยดุยๆเข้าไปแล้วก็ไปปรับเรียนท่านว่าเนี่ยดิฉันมีปัญหาเนี่ยจะส่งลูกไปเรียนเมือง น, นอกอยากให้เขาดูแลตัวเองได้พระคุณเจ้ารูปนั้นก็รับเอาไว้แล้วก็สอนให้ปฏิบททัติธรรมแล้วเธอก็บอกว่าลูกเธอก็ครองตัวได้เป็นอย่างดีนะคะ อันนี้ก็ที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจนะนะก็มีคือบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองทํางานยุ่งอยู่ก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะเป็นผู้ที่หาโพกซับมาได้ด้วยการมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแกนตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะทำเองก็ตามจัดให้ผู้อื่นกระทําก็ตามอันนี้การเลี้ยงชีวิตของตัวเองแบบนี้เป็นสัมมาอาชีวะแตนะ่ถ้าเรามีสัมมาอาชีวะอย่างนี้เราพูดจายอย่างดีมีสัมมาวาจาด้วย <tripod. S 1> นะอนี <in his throat> ้เราเป็นผู right? oh, ้ท the <lett> ี่อยู่ในสัมมาทิฏฐิเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรทำอาชีพนี้ดีทำอาชีพนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเรารู้ว่าอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะอันนี้เป็นมิจฉาสัมมาทิฏฐิของเธออยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ในธรรมแน่นอนแล้วก็การเลี้ยงลูกอย่างที่ว่าให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแม่ควรกระทำนะจะเป็นแม่คนเดียวหรือว่าเป็นพ่อกับแม่ก็ตาม แล้วการเข้าหาสมณะอย่างเช่นพาไปหาพร ะ, ะอย่างเงี้ยนะการเข้าใกล้สมณะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้พระเจ้าตรัสไว้คะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องรูปของอีกครอบครัวในวันถัดไปแล้วกันนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เท่ากับว่าคุณธนิดากิจบำรุงบรรณาธิการข่าวทางด้านสังคมของช่องเจ็ดสีที่ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งของสถาบันวิจัยบทบ่าชั ย, ยเพื่อการพัฒนาในปีนี้เนี่ยนะคะอะถือได้ว่า ถ้าโดยโประวัติที่ดิฉันเล่าให้ท่านฟังก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามธรรมะของพระศาสดาใช่คือผู้หญิงเนี่ยนะคุณยมติว๋วไม่ว่าจะจะอยู่บ้านหรือว่าจะทำงานเป็นผู้หญิงเก่งที่ได้รางวัลอะไรตั้งก็ ต, ก ต, กตามเนี่ยนะคือถ้าเราะว่าเราเป็นคนมีศีลนะแล้วเราเป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก นะทําอะไรไปคือทําหน้าที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านหรือคุณจะเป็นพนักงานบริษัทหรือคุณจะเป็นอยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทําอย่างถูกศีลทาหน้าที่ของเราเต็มที่เนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีอยู่แล้วค่ะคือที่นั่นเองก็ให้กําลังใจผู้หญิงมากๆเวลาไม่รู้จะหาตัวช่วยอะไรนะคะใช่แล้วบางครั้งไอ้ความเป็นเพศผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันอ่อนแอลกับคนอื่นเขาอะ่ะต้องยอมรับโดยเพศสภาพใช่ พึ่งใครไม่ได้พึ่งพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะคือคือจิตเนี่ยนะจิตของเราเข้มแข็งได้ไงแม้ว่ากายเราจะอ่อนแอแต่ถ้าจิตเราเข้มแข็งนี่คือคุณก็เป็นคนแข็งแรงคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่เหมือนกันคนตัณหาที่ถึงแม้ว่ากล้ามเป็นมัดมัดแต่ว่าพอใครพูดอะไรนิดหนึ่งก็ไหลตามไปไหลตามข่าวไหลตามสื่อไหลตามสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นคนอ่อนแอในขณะถึงแม้ว่าเราจะยกของหนักๆไม่ได้แต่เรามีจิตใจเข้มแข็งไม่ไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาเงี้ยอันนี้คุณเป็นคนเข้มแข็งด้วยซ้า เพราะฉะนั้นประกาศ ณ, ณรายการนี้เลยนะคะว่าถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งรับได้ทุกสถานการณ์ของชีวิตและไม่รู้จะพุ่งใครพึ่งทำค่ะพึ่งพระพุทธองค์ทำสองของพระพุทธองค์มาฟังจากรายการนี้โดยพระอาจารย์เพ็ญดูและก็พระมาร์ที่จัดรายการตั้ต้นไม่ได้ใช่สรุปเท่านี้ไหครท่า น, นะคะใช่พระนรัศ ก, การขอบพระคุณอย่างยิ่เลยค่ะเจริญพรท่านสันทิปโราท่านมาร์ อขออภัยกระท่านไปบูลนะคะขณะนี้ท่านก็อยู่ในช่วงของการที่รับผิดชอบคอสลิกเรนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกท่านก็เมตตาเราเสมอนะคะจะมีกิจอะไรก็ไม่ละเลยที่จะมาพบกับท่านฟังรายการนี้เช่นเดียวกับพระม้าชาคาวโรซึ่งอยู่วัดอัปพงที่พระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์คึกิทธิ์สุทธิพโลได้ฝากรสพุทธวจนะมาให้กับพวกเราเป็นประจําสัปดาห์หนึ่งก็15เล่ม น, นะคะวันลา สามเล่มท่านโทรศัพท์เข้ามาที่0 2 2 9 0 0 0งสส่วนท่านที่จะส่งคำถาม p e e ยว a ร a ม .com/ 1 0 6อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท่านส่งมาได้วันนี้ดิฉันยังไม่ได้ตอบคำถามใครแต่ว่าใครที่ถามมาก็คอยติดตามต่อไปในสัปดาห์นี้พยายามไล่ให้จบกันแล้วกันนะคะวันนี้พุทธวสัสดีค่ะ